ะงกายเนื้อและกายทิพย์กายเนื้อของมนุษย์มีส่วนประกอบของโครงสร้างซึ่งโดยธรรมชาติสามารถมีอำนาจต้า น, านทานการลุกรานของเชื้อโรคได้ตามสมควรเมื่อส่วนประกอบต่างๆยังทำหน้าที่ของมันดีอยู่เชื้อโรคก็เข้าลุกรานไม่ได้แตะร่างกายก็มีสุขภาพดีแต่แม้กระนั้นเชื้อโรคทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่รอบๆกายนั่นเอง รอคอยโอกาสที่มันจะรกล้ำเข้ามาในเมื่อร่างกายอ่อนกำลังลงแต่ในโลกทิปในที่นี้หมายถึงภูมิสูงไม่มีเชื้อโรชนิดใดๆอยู่โดยเด็ดขาดดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ร่างกายจะเป็นโรคใดๆได้เลยนอกจากนั้นคุณสมบัติของกายทิพย์ในสุขติภูมิยังมีอีกอย่างหนึ่งดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วคือไม่สามารถจะได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายจากอุบัติเหตุใดๆอีกด้วยจึงเป็นอันว่าอวัยวะใดที่เรามีอยู่ก็จะไม่มีวันเสียรูปทรงหรือพิการบิดเบี้ยวไปแม้แต่น้อยดังนั้นร่างกายของเราจึงอยู่ในสภาพที่มีสุขภาพสมบูรณ์และเป็นสภาพที่ไม่ทําลายสูญหายคือไม่รู้จักตายความเจ็บปวดของร่างกายในภูมิเช่นนี้นั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกทิพเคยได้รับหรือเคยได้ยินแล้ว ยังถือกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดในโลกของความเป็นจริงคือโลกทิพย์นอกจากจะมีอยู่ในโลกของความฝันร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเท่าที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าน่าจะมีอวัยวะบางอย่างของร่างกายมนุษย์ที่เป็นส่วนเกินคือที่ไม่จาเป็นต้องใช้เลยสาหรับกายทิพย์ เราไม่เคยหิวและก็ไม่เคยกินอาหารดังนั้นจึงไม่มีของเสียที่จะต้องได้รับการขับถ่ายออกจากร่างกายของเราและอันที่จริงก็ไม่มีสิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นของเสียเลยในภูมินี้ถ้าจะมีสิ่งใดที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นก็จะหายไปเองหรือไม่ก็กลับไปอยู่แหล่งเดิมของมันคำว่าหายไปเองนั้นขเจมีได้หมายความว่า มันจะได้ถูกกำจัดไปแต่หมายความว่ามันได้สิ้นสุดสภาพความเป็นอยู่ของมันในลักษณะที่มันได้เคยมีอยู่หรือเป็นอยู่มาแต่เดิมในภาคหนึ่งข้าพเจ้าได้ลอยให้ทันทราบถึงตอนที่ข้าพเจ้าพระประธานผลไม้ผลหนึ่งเมื่อน้าหวานของผลไม้นั้นไหลหยดออกมาข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะเปื้อนเสื้อผ้าของตนเองบ้างเป็นแน่ แต่อันที่จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมันได้หายไปหมดและได้กลับคืนไปอยู่ที่ต้นเดิมของมันนั่นเองในเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดและใครอื่นๆในภูมินี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันนอกจากจะกล่าวแต่เพียงว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นและถึงจะอธิบายต่อไปอย่างใดก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้ นอกจากว่าจะต้องรอให้เราเลื่อนชั้นภูมิธรรมแห่งจิตสูงขึ้นไปเพียงพอเสียก่อนดังนั้นอวัยวะที่เรามีอยู่จึงมีไว้เพื่อความประสงค์และความมุ่งหมายอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะและอวัยวะส่วนใดที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องมีอยู่เลยและก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลัวว่าอาวัยวะส่วนใดจะสุบซีดหรือแข็งตายเพราะไม่ได้มีโอกาสใช้บ่อยๆ ทั้งนี้เพราะพลังชีวิตที่มีอยู่ทั่วไปในภูมินี้แหละจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้เกิดสภาวะเช่นว่านั้นขึ้นได้เลยดังนั้นกายทิพย์จึงมีอวัยวะเท่าที่จําเป็นแก่การครองชีพในสภาวะแวดล้อมที่เป็นทิพย์เท่านั้นแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคล้ายๆกับกายเนื้อของมนุษย์ที่ได้วิวัฒนาการหรือแปรสภาพพอดีขึ้นแล้วนั่นเอง ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าใกล้ที่จะแจ้งให้ท่านทราบก็คือในโลกทิพย์ซึ่งมีพวกเรานับจนวนล้านอาศัยอยู่นี้ก็ล้วนแต่เป็นพลเมืองซึ่งมาจากโลกมนุษย์ทั้งสิน้นไม่ได้มาจากแหล่งอื่นเลยข้อยกเว้นจะมีอยู่บ้างก็เพียงแต่ในภูมิที่สูงมากหรือสูงที่สุดเท่านั้นที่ไม่ได้มีพลเมืองไปจากมนุษย์เลยทั้งนี้เพราะการสืบพันธุ์เป็นเรื่องของโลกมนุษย์ในโลกทิพย์ เราไม่ได้มีการสืบพันธ์กันเช่นนั้นเลยมาเหตุผู้อ่านมักมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าโลกทิพย์มีจริงทำไมประชากรในโลกมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเข้าใจนะครับว่าโลกทิพย์เกิดมาก่อนโลกมนุษย์แต่โลกมนุษย์มีการเกิดแตกดับและเกิดขึ้นใหม่หลายครั้งหลายคราวแล้วประชากรของโลกมนุษย์มาจากโลกทิพย์ และสุดท้ายก็กลับไปสู่โลกทิพย์อยู่ที่กรรมของแต่ละคนว่าจะได้สุขติภูมิหรือทุกติภูมิประชากรที่ดูมากนั้นถ้านับทุกพบทุกภูมิจริงๆก็จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในโลกมนุษย์จึงไม่แปลกนะครับว่าแม้ประชากรในโลกมนุษย์จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่จริงๆก็ยังเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของโลกทิพย์ทั้งหมดที่ถึงเวลาต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง ถ้าคนที่มีความรู้ทางพุทธไว้บ้างก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่ยากแต่หมายเหตุไว้เพื่อผู้มาใหม่และคนที่เพิ่งศึกษาอีกมากนะครับที่อาจจะมองว่าเรื่องพวกนี้ไรเหตุผลและดูไม่สมจริงแนะนำว่าให้ฟังคร่าวๆจับหลักคร่าวๆทั้งหมดอะไรที่สงสัยก็เก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจแนะนำให้ฟังต่อในเรื่องแววเสียงสวรรค์ซึ่งอธิบายไว้หลายแงยม่มุมและค่อนข้างละเอียดนะครับ